ที่วันนี้จะโยมภาวนาคือส่วนมากคนภาวนาเนี่ยมันต้องนีไ่ไปคือผู้ที่รู้ว่ารู้ใจสมาองค์แรกนะ่ะคนแรกนะ่ะโยมคงไม่รู้คือใครเนาะ เป็นองค์แรกเลยนะเธารู้ใจธรรมาหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลเป็นผู้รู้ใจเราตอนนี้เราจะมาสอนหลวงปู่ดูลรู้ใจเราหรือยังไงไว้ใจเราถึงธรร ม, มาะอ่าจอ้ที่สำคัญนะพอครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ไม่รู้ใจทุติใช่ไหมแต่ของธรรมาเนี่ยผู้รู้ใจธ่รมาคือหลวงปู่ดูลนะ ไม่ใช่โยมนะฮะไม่ใช่ใครทั้งนั้นทั้งนั้นองค์แรกที่รู้ใจเราก็คือลุงปูดูลเราก็อยากจะรู้ว่าลุงปูดูลรู้ใจเราใจเราอยู่ตรงไหนที่ un, ลุงปูดูลรู้และรู้ว่าจิตตรงนั้นเน่จิตที่อยู่ตรงนั้นคือนั้นจิตจิตที่รู้ธรรมฮะจิตที่รู้ธรรมฮะจิตที่เห็นธรรมคือตรงนั้นทังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาสอน สอนว่าลุงปูดูเน่ะรู้ว่าจิตเรามีธรรมะจิตเราจะอยู่ตรงไหนไหทำไมที่โยมปฏิบัติแล้วก็จริงๆก็ยังไม่มีพระอาจารย์ขนาดไหนพอรู้ใจโ ย, ยมได้เนาะยังไม่มีแต่ตามาเนี่ยเป็นพระเซาซาที่สุดเลยแต่องค์ที่รู้องค์แรกคือลุงปูดูครับคือภาวนาเสร็จแล้วรู้เลยว่าจิตของคุณน่นถึงธรรมะแล้วแล้วก็วันที่สองคือจิต ลุดเรียบร้อยแล้วมีวันที่หนึ่งกับวันที่สองน่ะเนี่ยเราก็จะมาสอนโยมวันที่หนึ่งเจออะไรใช่ไหมเจออะไรน่ะอันที่สาคัญเนี่นะเพราะเราสอนอยังไงก็ไม่มีใครบอกว่าวันที่หนึ่งคือเจออะไรแล้วก็ครูบาอาจารย์มาสอนจริงๆก็ไม่มีใครว่าอาจารย์องค์ไหนรู้ใจพระที่สอนเลยฮะแต่เรานี่แปลกมากลุงปูดูรู้คนเพื่อนเลยประจิตของเราเนี่ย ถึงตรงไหนแล้วทั้งนั้นตรงเนี้ยตา ม, มา ก, ก็เลยต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยฮะตัวช่วยสำคัญมากเลยฮะเพราะจิตที่เราลงไปตรงนั้นคล้ายตัวที่เราจะให้ช่วยตัวนี้คือน้ําเย็นเอาแจ ก, กเลยฮะอยาสั่งอ่มันต้องมียาสั่งฮะอ่ายาสั่งต้องเอาตัวนี้ช่วย เพราะจิตที่เราลงไปคล้ายตัวนี้คล้ายตัวนี้เลยฮะลงเหมือนตัวนี้เลยฮะลงเหมือนกันเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยฮะทั้งนั้นที่โยมโอกาสทองที่สุดเลยนะที่เมียตมามีเครื่องมือชี้นําไปใช่ไหมชี้นํานะเออย่าพึ่งทานนาะโยมแนมะ่เก็บไว้ก่อนแก่ปุ๊บมันก็จะไปทานตอบ ไว้ไว้มากเลยเพราะเคยมีบางคนบอกว่าเห็นลงตะเยือนไม่ศรัทธาเลยแต่ตอเจอตมาจแจกน้ำเย็นกินทันทีเลยฮะเอ้แปก ออตอนแจกน้ำเย็นทันทีเลยสัททาน้้ำเย็นะ <c oughs> นะก็ข้างนอกเทใส่แก้ว โ, โยมฮะขยายกันหน่อยคนละแก้วละแก้วก็ได้เลยฮะเ <c oughs> พราะว่าทำไมต้องเอาตัวนี้ตัวช่วย เพราะจิตที่ลงไปไปถึงธรรมอ่ะต้องขายตัวนี้มากเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยฮ ะ, ก, ยฮะก็เลยต่อมาก็เลยเอาตัวนี้น้ำนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดานี่โยงนะแค่โยมจับ ก, ก็เห็นความสักผิดแล้วใช่ไหมจับปุ๊บมันเย็นปั๊บทันทีเลยฮะเห็นไหมสักผิดขนาดไหน จับปุ๊บก็เย็นทันทีเลยนะเข้าถึงตัวเลยเข้าเลยเข้าทันทีเลยเข้าเลยฮนะแค่จับยังเข้ า, ลาแล้วอ่ะแล้วจะเกิดกินมันจะเข้าขนาดไหนอนะ่ะใช่ไหมมันเข้ามาอ่าเรียบร้อยแล้วนะเงียบตอนนี้ห้ย า, ยาโยมเปิดฝ่าได้แล้วนะอย่าไปกินหมดขวดนะโยมนะ แค่ครึ่งขวดก็พอแล้วฮะน่ะและตั้งกายให้ตรงฮะดมรงศติให้แน่นคือสติเราจะอยู่กับความเย็นนะน่ะเอาทานเลยนะทานน้อยไม่ได้โยมเพราะทานน้อยมันจะไม่มีผู้รู้เพราะความเย็นมันน้อยความร้อนของร่างกายเรามันเยอะทาครึ่งขวดปุ๊บเราจะได้เลยฮะหนามันจะได้เลยฮะนะหนา นะทันเยอะหน่อยนะอนะเพราะตมาจะบอกว่าจิตที่ตมาลงไปตรงไหนลงแบบไหนที่ลุงปูดุลทึงรู้ว่าจิตนั้นอ่ะมันเจอธรรมะแล้วงางาอ้าวตั้งนาโมดิ์นิดหน่อยนะโมตัตจะบอกว่โตอรหโตสมาสมุตติจสะนาโมตัต อรหัตโตสัมมาสาัมบุตจตจาร ะ, ะะาระโมตจาระกาวะโตอรหโตสัมมาสัมบุตตจาระตอนนี้โยมเอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปสู่คือความศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือน้ําเย็นอ่าน้ําเย็นก็โยมทานพุให้โยมลองเอาจิตโยมรละลึกตามความเย็นของน้ําไปแล้วก็พยายามระลึกไป ที่ธรมาทำไมต้องเอาตัวน้าเย็นไปเพราะตอนจิตธรรมาลงไปมันเย็นเหมือนน้ำลงไปลึกมากไม่มีน้ำเย็นแต่ความเย็นมันลงลงไปเหมือนน้ำเย็นตอนนี้ธรรมาก็เลยเอาน้ำเย็นมาช่วยเพื่ อ, อโยมจิตใจยโยมจะได้ลงเข้าไปสู่สมาธิง่ายๆแค่ถ้าจิตไม่ลงมันไม่เกิดสมาธิทั้งนั้นในความเย็นตรงนี้โยมก็ระ ล, ลึกตามไป พยายามระลึกดูว่าความเย็นสุดท้ายมันไปหยุดอยู่ตรงไหนดูพยายามระลึกไวาความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนเย็นที่ปากไม่เอาเย็นที่คอไม่เอาพอน้ำไม่ไปอยู่ที่คอแล้วแค่ไปจับผัดรู้ว่าความเย็นสุดท้ายที่ลงไปถึงกระเพาะเรามันหยุดตรงไหนในโยมก็เอาจิตโยมไปสู่อยู่ตรงนั้น พยายามระลึกไว้ตามความเย็นตรงนั้นความเย็นไม่มีอะไรที่มีอยู่นั้นคือความเย็นถ้ามีความเย็นเราก็จะมีสติเราจะมีสติระลึกรู้อยู่ว่าความเย็นสุดท้ายหยุดอยู่ตรงไหนสติเราก็จะประรวมอยู่ตรงความเย็นถ้าเราไม่เอาความเย็นตัวช่วยสติเราก็จะไปนอกกายมันจะไปข้างนอกมันจะไม่เข้าข้างในถ้ามันไม่เข้าข้างในปั๊บมันจะไม่เกิดสมาธิ ดังนั้นอาตมาที่เอาน้าเย็นมาช่วยเพื่อมันสะดวกแกโยมเดินทางง่ายหน่อยเพียงแต่โยมทําทําใจโยมปล่อยตามความเย็นไปสุดท้ายความเย็นมันประหยุดอยู่ตรงไหนในโยมก็ไปจํ า, ยาหยุดอยู่ตรงนั้นพยายามนึกไว้ไม่ต้องบริกรรมพุทโธเพราะว่าตัวนี้เป็นแทนพุทโธแล้วเพราะพุทโธก็เพื่อหาปุรุธรรมโมก็เพื่อหาบุรุสังโคก็เพื่อหาปุรุ ยุกหน่อพองหนอก็เพื่อหาผู้รู้สมาอาถางก็เพื่อหาผู้รู้ทางนั้นความเย็นตรงนี้มันจะเกิดผู้รู้ทันทีมันจะเกิดผู้รู้ทันทีรู้อะไรรู้ว่าเย็นรู้ว่าเย็นแล้วแล้วก็ตามความเย็นไปสุดท้ายความเย็นมันก็จะหยุดมันหยุดอยู่ตรงไหนเกจเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นทางนั้นเราก็พยายามหยุดอยู่ตรงนี้อยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆไปพยายามหยุดอยู่อยู่แค่สัมผัสกว่าความเย็นสุดท้ายมันสัมผัสไว้หยุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้อย่าเราไม่ต้องบังคับมันนะเพียงแต่ไปสัมผัสรู้ว่าเลอวเละรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ถึงน้ำเย็นกระจายไปตามร่างกายก็ตามโยมไม่ต้องตามไปมันกระจายไปโยมก็จะหยุดอยู่ตรงกลางฮนะ นจะไม่ตามความกระจากระชายไปจะอยู่ตรงกลางไว้ถ้าโยมคิดจะไอยู่ตรงกลางนึกอยู่ตรงกลางนานๆความเย็นทั้งหมดมันก็จะรวมอยู่ตรงกลางมันรวมอยู่ตรงกลางปั๊บความเย็นมันทำให้เราเกิดมีสติสติเรากำลังรวมอยู่กับความเย็นถ้าสติเรารวมอยู่กับความเย็นอยู่นานๆนานๆไปอยู่นานไปนานไปนานไปนานไปอยู่ตรงนั้นอยู่นานๆนานๆไป สุดท้ายจิตที่เราเคยออกไปข้างนอกมันก็จะลืมหมดมันลืมเพราะอะไรอ่ะเพราะ จ, ะจิตเราจะอยู่ตรงนี้จิตเราอยู่ตรงตรงนี้แล้วเพราะเราไม่จาตรงความเย็นตอนนี้เราไม่จาตรงความเย็นความจานี่คือก็เรียกสมาธิอามายใช้คำว่าจาความจาอยู่ตรงนั้นจำนานๆก็เรียกสมาธิสมาธิคือความจาแม่น ความจำแม่นนอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นนะอยู่ตรงที่มันมีความรู้สึกเย็นๆนะอยู่จนเกิดความจำแต่นี้ความจำตรงนี้มันจำตรงนี้แล้วได้จิตเราเคยไปจำที่อื่นมันก็จะลืมมันจะลืมหมดฮนะที่ถ้าลืมไม่หมดเพราะถ้าเกิดว่าเราจำตรงนี้แล้วเรายังไปจำที่อื่นมันความวันเราจำตรงนี้ไม่ชัดเราไม่ค่อยความจำไม่ชัดเจน ทังนั้นตรงนี้เราต้องทำความจำของเราให้เกิดความชัดขึ้นชัดขึ้นจำจนชัดชัดเลยคะจํจำว่าความเย็นมันอยู่ตรงนี้เย็นมันอยู่ตรงนี้ถา ม, า ม, มให้จำน้ำเย็นไมไม่ใช่ไม่ใช่จาน้าเย็นทำจำที่ความรู้สึกว่าเย็นมันอยู่ตรงนี้และตรงนี้สำคัญที่สุดคือไม่เกี่ยวกับลมหายใจไม่เกี่ยวอะไรท้งนั้นพยายามรวบรวมจิตใจเราให้มันจาอยู่ตรงนี้ โยมจะได้เข้าใจว่าสมาธินั่นคืออะไรเพราะส่วนมากเราฝึกสมาธิเราไม่เคยมีความจำข้างในเราก็จะไปจำแต่ข้างนอกมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความจำคือความที่จะเป็นสมาธิเราต้องรวบรว ม, รวมจิตของเราครูบาอาจารย์จะมาว่าจิตมันดิ่งลงจิตมันดิ่งลงไปแล้วลงไปลงไปลงไปลงไปเกิดสมาธิตอนนี้ไอ้จิตที่โยมจะลงไปดิง่งลงมันดิ่งยาก มันดึงลำปากตรมาก็เลยเอาความน้าเย็นมาช่วยดึงลงก็ไปช่วยดึงลงง่ายหน่อยเพราะถ้าเราไม่มีน้ำเย็นมันจะดึงไปรู้สึกตรงนั้นไม่ได้เลยฮะทัง น, น้ความเย็นเป็นที่สร้างผู้รู้ผู้รู้สึกตรงนี้ได้แนลัตนะตรงนี้มันก็สอดคล้องกับธรรมะลุงปูดูลถ้าบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้จุดคิดถึงจะรู้ แต่ต้องอาศัยความคิดแหละถึงจะรู้รู้อะไรรู้จิตเราหยุดแล้วถ้าจิตเราหยุดมันก็จะเป็นสมาธิที่เราฝึกสมาธิจิตไม่หยุดเพราะเราไม่เคยคิดไปจะหยุดหยุดแล้วจะหยุดตรงไหนไม่มีที่หยุดหยุดไม่ได้ฮะหยุดไม่ได้เลยฮะแต่ถ้าน้ำเย็นอ่ะมันหยุดได้ที่หยุดได้เพราะน้ำมันอยู่กันในกระเพาะเรามันไม่ออกนอก แค่มันไม่ออกนอกเราแค่นั้นเองมันอยู่ของเราตั้งหนึ่งนาทีเราก็ไปจําเลยสองนาทีก็ไปจําเลยสามนาทีก็จําเลยจำจำจำจำจำตรงนั้นจําชัดเจนปุ๊บจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันจะไม่มีแล้วมันจะเกิดสมาธิคือความจําจําอยู่ตรงนี้จําอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับรูปร่ายนะไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นแค่รู้สึก ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่มีอะไรเลยมันรู้แต่ความจําตรงนี้แล้วก็จําอยู่ตรงนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆไปนะมันต้องคลายมันต้องผ่อนคลายปล่อยจิตลงไปเพราะถ้าเราจะปล่อยจิตลงมันลงไปหาที่อะไรมันลงไม่เจอหรอกมันลงไปที่ใหญ่ๆก็ไม่รู้ลงไม่เป็นแต่ถ้าน้าเย็นปั๊บลงได้เลยเรื่อไปเราก็จะมีผู้รู้สึกแนละ้วผู้รู้สึกตรงนี้มันก็จะรู้อยู่ตรงนี้ รู้อยู่แต่ไม่มีอะไรแม้แต่คำจะ บ, บริกรรมก็ไม่มีมันไม่มีแต่รู้ว่ามีไม่ีเหมือนไม่ม่ตอนนี้เครื่องพิสูจน์เครื่องพิสูจน์ถ้จิตเราเป็นสมาธิตรงนี้แล้วความเย็นเหมือนอยู่ในลำไส้ความเย็นเหมือนอยู่ในลำไ ส, ออำส้แต่ทำไมตอนเราไปสัมผัสตรงความเย็นถึงไม่มีลำไส้เราเลยตับไตใสพุงเราไม่มีฮะ จะไม่มีเลยเพราะที่ไม่มีตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเราเจอจิตปุ๊บถ้าจิตเราเจอจิตจริงๆร่างกายของเราจะไม่มีร่างกายของเราจะไม่มีเพราะถ้าเจอจิตร่างกายก็จะหายถ้าเจอจิตกายก็จะหายทันทีนะแต่ส่วนมากคนเราไม่เจอจิตเราไปาถึงเจอกาย เจอกายมันก็ไม่เจอจิตแต่ตอนนี้วิธีเราจะทอนว่าร่องไปหาจิตให้ชัดๆถ้าเห็นจิตแล้วกายก็จะหายเองตอนนี้กายของเราก็จะไม่มีฮะผู้รู้อยู่ตรงนั้นเหมือนอยู่ในกายแต่ไม่อยู่ในกายแค่สัมผัสรู้พยายามจะปล่อยตรงนั้นเต็มที่ตอนนี้เราจะไม่พิสูจน์พิสูจน์ในความรู้สึกตรงนี้ ถามว่าถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้กิเลสที่เราต้องไปนั่งตัดต้องไปนั่งฆ่าแกงมัน่ะถ้าจิตเราอยู่ตรงนี้มีไหมกิเลสไม่มีใครไปสู่ได้เท่าที่ตัวเรานะธรรมะปัจจตังรู้เฉพาะตนถ้าจิตเราอยู่ตรงจิตตรงนี้จะไม่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงจะไม่เกิดขึ้นที่ไม่เกิดขึ้นอไรเพราะเราเจอจิตแล้ว เราเจอจิตมันจะมีความโลภที่ไหนถ้าเราเจอความโลภเราก็จะไม่เจอจิตถ้าเจอจิตความโลภ ก, ก็จะหายความโลภความหลงโกรธทั้งหมดก็จะหายไปเองถามว่าต้องตัดไหมไม่ต้องตัดพราตัดแล้วก็จะไม่หายเราต้องหยุดเราต้องหยุดหยุดตรงไหนหยุดตรงความเย็นความเย็นเราหยุดหยุดตรงนี้จนเกิดจิตเขาเรียกปัจจุบันจิต เขาว่าจิตปัจจุบันคือรู้อยู่ตรงนี้จะไม่มีอดีตอนาคตมารู้ด้วยจิตมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปอยู่ตรงนี้การที่เราจะมาพิจารณากายเพื่อเป็นอาสุพะกรรมฐานเพื่อเป็นแต่ลังถ้าจิตยอยู่ตรงนี้แล้วไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรทางนั้นอาตมาเป็นองค์แรกเลยนะคิดว่าจะเป็นองค์แรกที่ภาวนาแล้วไม่ได้ฆ่ากิเลส เพราะที่ไม่ได้ฆ่ากิเลสเพราะเราไปเจอจิตก่อนที่จะมีกิเลสแล้วถามโยมไปอยู่จิตที่ธรรมาบอกไปตรงนี้ท่านโยมปล่อยไปตามที่ธรรมาบอกถามว่าตรงนั้นมีไหมกิเลสแล้วโยมคิดจะฆ่ามันอ่ะฆ่าได้ไหมมีอะไรไม่จําเป็นต้องฆ่าเพราะจิตตรงนั้นจะไม่มีกิเลสอะไรไปครอบงำทางนั้นเพราะจิตจริงๆมันเป็นความว่างโยมถามว่าเราทําจิตให้ว่างไม่ได้ จิตของเราทำให้เกิดว่างไม่ได้ถ้าอยากให้จิต ม, มีความว่างเราต้องหยุดถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ความว่างจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่หยุดมันจะไม่เกิดขึ้นในจิตตรงนั้นก็มันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ามันก็หยุดอยู่ตรงนั้นจะหยุดที่อื่นได้ไหมไม่ได้จะหยุดอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดผู้รู้สึกขึ้นมาผู้รู้เกิดขึ้นคือความเย็น น้ำเย็นที่กินไปนั้นน่ะน้ำเย็นที่หมดไปแล้วนะโยมนะที่กินนะหมดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วเพราะความร้อนร่างกายมันมากกว่าหมดไปแล้วไอ้ที่เย็นเย็นตรงนี้ที่เย็นเย็นที่รู้สึกเย็นเย็นตรงนี้นี่คือจิตเราจิตเราไม่ใช่จิตร้อนจิตเราคือผู้รู้รู้อยู่กับความเย็น เพราะที่มันเย็นเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรมาทําให้ร้อนได้่ะร้อนไม่ได้เลยมันก็จะเยน็นเย็นอยู่นั้นเย็นเหมือนน้ําเยน็นแต่ไม่ใช่น้ําเยน็นนั้นหมายความจิตของเราปลดปลดภาร ะ, ะหมดแล้วถึงมันจะหยุดหยุดแล้วก็จะเยน็นมันก็จะเย็นอยู่นัน่ะเพราะจิตที่ไม่มีกิเลสมันจะเยน็นจิตที่ไม่มีความโลภมันจะเยน็นจิตไม่มีความหลงมันจะเยน็นนี่จิตตรงนี้มันก็เลือกจิตจริง ถ้าจิตจริงมันจะรู้สึกอย่างเนี้เพราะจะจิตจริงกายก็จะหายหมดความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริสยาก็จะหายหมดแม้แต่ความรักความหวงแหนทั้งหมดก็จะหายหมดถ้าอยู่ตรงนี้เพราะเราไปเจอจิตแล้วที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตตรงนี้แม้จะคิดไปข้างนอกก็ยังไม่ได้จะไปที่อื่นก็ไม่นายจะให้เลิกก็เลิกไม่ได้ เพราะมันถึงปู้รู้แล้วเจอจิตแล้วเลิกไม่ได้เพราะจิตจริงมันก็จะมีผู้รู้อยู่นั่นน่ะแต่ไม่เกี่ยวกับร่างกายทางนั้นน่ะแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่อยู่อยู่ตลอดจะเดินจะเหินก็อยู่ตรงนั้นจะเลิกนั่งภาวนาก็อยู่ตรงนั้นจะไปไหนก็จะอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ไปที่อื่นเพราะว่าอาตมาพายมเข้าไปสู่ห้องนอนแล้ว เข้าไปสู่บ้านแล้วบ้านโยมอยู่ตรงนั้นแหละบ้านของใจอยู่ตรงนั้น่เมื่อกี้เราเอาบันไดเข้าไปเปรียบเหมือนบันไดน้ําเย็นคือบันไดเราขึ้นบันไดไปถึงบ้านแล้วบันไดทิ้งแล้วบันไดเราทิ้งแล้วถึงบ้านแล้วเราก็จะไม่ไปไหนแล้วแล้วเข้าบันไดเข้าบ้านแล้วไม่พอยังเข้าห้องนอนเลยครับนปในห้องใจ อันนี้คือห้องใจเรานะห้องใจเราจะไม่มีอะไรจะไม่มีใครเพราะเราเข้าไปคนเดียวฮะห้องเราก็คือความว่างทังนั้นจิตอยู่ตรงนี้ที่หลวงปู่มัน่นยกย่องหลวงปู่ดูลเพราะจิตท่านอยู่ตรงนี้ถามว่าจิตตรงนี้งานโยมทำได้ไั้มได้เลยฮะเพราะจิตตรงนี้ไม่จำกัดว่าเป็นโยมหรือเป็นพระหรือเป็นชีหรือเป็นเนนไม่มีคำจากัดทั้งนั้นถ้าคุณมีสติ มีความสามารถทําจิตให้คุณหยุดหยุดจะอยู่กับธรรมชาติหยุดอยู่กับความว่างไายนั้นอะ่ะคือตัวจริงจริงทีง่มันเจ๋งนั้นทั้งนั้นเราก็รักษาอยู่ตรงนี้คือแรกๆเหมือนเรารักษาเขาประมาณสามนาทีแรกโยมรักษาเขาประมาณสองนาทีหลังโยมไม่ได้รักษาแล้วไม่รักษาเขาแต่เขารักษาโยมเขารักษาโยมทําให้มันเย็นอยู่นั่นแหละ เลิกเย็นได้ไหมไม่หายเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้นั่นหมายความทำ ร, รักษาเราแล้วเราปฏิผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาและธรรมะนะ่ะมันเป็นนายของเราเราก็เป็นทาตของธรรมนี่แหละเขาเลือกเราเป็นทาตของพระธรรมและพระธรรมคือเป็นนายของเราคือผู้รู้อยู่ตรงนี้เป็นนายของเราชัดๆทำไมเป็นนายเพราะมันเย็นอยู่ตรงนั้นเลิกได้ไหมไม่ได้ แล้วปรุงแต่งได้ไหมไม่ได้แล้วจะไปดีได้ไม่ได้สุดท้ายเราก็เป็นเขาเป็นนายเราเราก็เป็นบ่าวเขานี่แหละเขาเรียกเราเป็นทาสของประธรรมและประธรรมก็เป็นนายของเราตอนนี้นายของเราคืออะไรคือผู้รู้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นหมดเลยโลกทั้งโลกหมดความหมายมันหมดความหมายเพราะที่เราเจอจิ ต, ตถ้าเจอจิตแล้วหมด ทั้งทีเลยฮนะเหล้วจิตตรงนี้ก็ภาวนาไม่ยากอาตมานั่งประมาณที่ผ่านาทีจิตลงไปถุงตรงนี้เลยลงไปแล้วอยู่แล้วอยู่นั้นอยู่ตลอดเลยฮนะนี่ที่ลุงปูดูนเห็นใจอาตมาคือใจเห็นอยู่ตรงนี้ท่านบอกจิตตรงนี้เนะ่ะนี่คือทำแท้เพราะคิดไปข้างนอกไม่ได้คิดจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้ จะโกรธคนก็ไม่ได้จะเกลียดคนก็ไม่ได้จะรักคนก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีผู้รู้มีเหมือนไม่มีนี่แหละธรรมะที่หลวงปู่ดูลรู้ว่าใจของตอมาลงไปถือไปเจอธรรมแท้แล้วหลวงปู่ดูลเป็นผู้บอกว่านั่นธรรมตรงนี้คือของจริงของจริงจะไม่มีอะไรงานจะไม่มีอะไรแตมมมม่มีเหมือนไม่มีอ่ามีเหมือนไม่มี ทำมีแล้วมันมีอย่างอื่นมันจะมีและจิตตรงนี้แกอยู่ข้างในตลอดจะไม่ออกนอกทางนั้นเลยสอดคอามมาล้องธรรมะลุงผู้ดูแว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นมรรคผลนังเกิดจากจิตเห็นจิตแกมแจ้งเป็นนิโรธคือความดับลงคือตรงนี้แหละโยมเอ้ยไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้เองเล่นโยมวิ่งไปหาที่อื่นไม่เจอหรอกถามว่าจิตนั่นอยู่ตรงเนี้ทุกมีไหม มีโรธคือความดับทุกข์ถ้าเราจิตเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีทุกข์อะไร ม, มามาเบียดเบียนได้เลยฮะไม่มีนั้นจิตที่หลวงปู่ดูลจอดคล้องเพราะจิตท่านเข้าอยู่ข้างในและจังหวะพอดีอย่าตมาก็จิตตัมมาก็อยู่ตรงนี้ตมาก็เลยเข้าใจมากคือชํานาญโยมมันชํานาญตรงนี้มากเพราะตัมมาเองไม่ได้ชํานาญเรื่องกิเลสไม่ชํานาญเรื่องความโลภความโกรธหลวงตัมมาไม่ได้ชํานาญเลย เพราะที่ไม่ทางานเพราะม่ไดยังไม่ได้ใช่ั้งงั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกกิเลสไม่ต้องไปตัดมันอย่าไปฆ่ามันแค่ไม่ใช้มันก็จบแล้วแลวจิตที่ไม่ใช้กิเลสจิตอยู่ตรงไหนก็เราไปสู่จิตมันจะมีกิเลสที่ไหนตอนนี้เราภาวนาเราไปหาเราไปหาจิตแต่ไปภาวนาเอากิเลสไปเป็นจิตเร็วเราเราก็เห็นแต่กิเลสจะไม่เห็นจิตเลย และจิตจะอยู่ตรงนี้นจะโกรธคนได้ไงมีคนถามหลวงปู่ดูลโกรธได้ไหมหลวงปู่ดูลย์บอกความโกรธมีแต่ไม่ใช้ที่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะจิตทันอยู่ตรงนี้และโยมลองไปอยู่ตรงนี้โยมจะใช้มันได้มันได้ไหมมันใช้ไม่ได้เลยฮนะแล้วกิเลสเนี่ยโยมจะถ้าอยู่ตรงนี้โยมใช้กิเลสได้ไหมมันจะไม่มีกิเลสอะไรเลยให้ใช้เพราะมันเป็นความว่างถ้าจิตของเราไม่มีความว่างพธธาระพุทธเจ้าไม่บรรลุธรรมหรอก เพราะพระทุทธเจ้าไม่ตัดทรุเพราะพระพุทธเจ้าภาวนาเพื่อไม่หาที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและจิตเราอยู่ตรงนี้มีมากความแก่ความเจ็บความตายมีไหมไม่มีนี่พุทธเจ้าบรรลุธรรมสั้นๆั้นเลยพระอนนุ์ก็สั้นๆั้นเลยลงช่อเดียวถึงไปถึงความว่างแวบเดียวนั่นเองโยมแล้วถามว่าพระอ น, นุ์เป็นและโยมเป็นไดไ้เป็นได้ทุกคน เพราะอันพระอานนท์ก็ไม่ถกวนลิกษิตใครๆไม่ถกวนเพียงแต่เราจะทํางไงจิตเราเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้อ่่าสวนมากเขาสอนก็ไม่สอนลงตรงนี้เขาไปสอนเราไปอย่างอื่นเลยทึ้งเราอุจจาระภาวนามาอย่างดีแต่ก็ไม่ถึงที่ทีเพราะไม่ถึงเพราะอะไรเพราะไปเจอตรงนี้พิจิตจะวางเฉยหนุม่มจิตตรงนี้มันจะเฉยหมดเลยฮะไม่มีอะไรแต่เฉยแบบรู้ น่าเฉยแบบรู้เพราะวางเฉยเพราะวางอเบขาหมดแล้วไม่มีอะไรเลยและจิตตรงนี้ส่วนมากครูบาอาจารย์จะเข้าใจว่าจิตตรงนี้ไม่มีปัญญาบางครัง้งญาณโยมภาวนาเป็นแล้วไปถามครูบาอาจารย์บอกไม่ได้จิตตรงนี้ไม่ได้ต้องไปพิจารณากายไปพิจารณาสภากรรมฐาน น, นาุ่นไปฝึกสมาธินุ่นไปจํำสินต่อนะและถามว่าจิตอยู่ตรงนี้มันต้องมีสินไหมมันเป็ น, นมันเป็นอมตะสินแล้วโยม อจิตตรงนี้มันเป็นศีลแล้วเพราะจิตอยู่ตรงนี้มันจะโกรธคนไม่ได้จะเกลียดด่าคนไม่ได้นี่เขาเรียกศีลของจิตใจเป็นศีลศีลเป็นใจโยมนี้อยู่ตรงนี้ทั้งห่าแต่ส่วนมากคนเราเพจิตบางคนตรงนี้จิตตรงเนี้ยจะจะถึงยากแต่โยมถึงเกือบทุกคนเพราะจิตตรงนี้มันถึงตอนที่เราไม่ได้ภาวนาตอนภาวนาไม่ค่อยถึงฮะมันบังเอิญแป๊บเดียวเจอเลยฮะเจอเสร็จแล้วตอนนี้โยมก็ไม่มีคําอธิบายแล้ว เพราะตรงนั้นจะไม่มีคำอธิบายเลยเหมือนโลกทั้งโลกหมดความหมายนั่นถึงทำแท้แต่ตอนนี้เราไปถามครูบาอาจารย์อาจารย์บอกไม่ใช่ที่แท้คืออาจารย์ไม่ได้ไปตรงนี้โยมจำเลยว่าอาจารย์ไม่ได้ไปถ้าเจออาจารย์ไปอาจารย์ก็จะพาว่าใช่แล้วทำไมึง้งตา ม, มาพูดตรงนี้เพราะหลวงปูดูลไปแล้วและตา ม, มาไปปั๊บหลวงปูดูลบอกใช่แล้วนี่คืออาจารย์เขาไปแล้ว แล้วอาจารย์ที่ไม่เคยไปอ่ะอยากจะสอนโยมไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะก็ไม่เคยไปฮะเขาไม่เคยไปเลยฮะจังหวะพอดีหลวงปู่มั่นอ่ะหลวงปู่ดูลไปเหมือนลุงปู่มั่นหลวงปู่มั่นยกย่องมาถูกต้องแล้วเป็นองค์แรกที่เภาวนาเจอทำเร็วที่สุดคือหลวงปู่ดูลอาตมาจังหวะพอดีจางหวะภ า, าวนาแป๊บเดียวก็ไปเจอเหมือนหลวงปู่ดูลพับเลยทั้งนั้นอาตมาพูดจะเหมือนหลวงปู่ดูลเพราะมันชํานาญในตรงนี้มาก งา น, านชำนาญตรงนี้มากนะดังนั้นทํานานตรงนี้จิตเราก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเราจะเดินจะเหินจะนอนก็ได้จะลุกขึ้นมาก็จะอยู่ทํางานก็อยู่จนถึงอุตมาบอกเป็นพลังงานมันเป็นพลังของสมาธิสมาธิมันเป็นพลังที่ดีที่สุดคือพลังความว่างโยมถ้ามีความว่างมันจะมีพลังมากแต่ถ้าไม่ว่างไม่มีพลังฮะนะดางนั้นจิตตรงเราจะประจบเราจะปรุงแต่งว่าความว่างไม่ได้นะและจิตตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ ตอนนี้จิตตรงนี้ยลวงปู่ดูลที่อาตอมาไปถามภาวนาอ ย, ย่งไรอาตมาบอกลุงปู่ช่วยออยผู้รู้ะที่ผมเจอเนี่ยเอาออกไปได้ไหมเอาออกไปเลยไปข้างนอกผมจะได้คิดถึงโน้่นู้นนะตลวงปูดงป่ดูลนั่งภาวนาปุ๊บบอกไม่ได้แล้วเพราะจิตของถึงของคุณถึงทําแล้วนี่อาตอมาเป็นพระโชคดีที่สุดเลยนะที่อาจารย์รู้ทำแล้วเราไปเจอปับ๊บอาจารย์ก็บอกทำนี้ใช่แล้ว ถ้าเกิดไปเจออาจารย์ไม่รู้ทำอ่ะและอาจารย์ไหนจะบอกว่าอันนี้ใช่แล้วไม่มีโยมเนี่ยอันนี้ตมาก็จําเป็นต้องพูดฮะไม่พูดก็ไม่ได้อ่ะก็จําเป็นต้องพูดเพราะพูพ้พูดมาก็คือหลวงปู่ดูลไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ตมาปุงแต่งเองที่ไหนเนี่ยเป็นผูร้รู้ในจิตตรงนี้มันจะอยู่จะเลิกนั่งภาวนาก็อยู่นั่งมันคลายหมดสมองเราที่เคยบอกว่ากิเลไม่อยู่ในสมองตอนจิตมันลงอยู่ตรงนี้สมองใช้ไม่ได้เลยฮะ ไม่คิดกจะดา่าคนยังระไม่ได้เลยทั้งนั้นญาณโยมทั้งหลายเข้าไปสู่ตรงนั้นเถอะเข้าไปเต็มที่เลยโยมไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยอย่าไปกังวลอย่าไปโลเลอย่างงู้นอย่างนี้ก็คนไม่เคยเข้าไปโยมไปฟังทําไมฮะถ้าก็สอนโยมที่ว่าให้โยมไปนู่นไปไปดอนเมืองทั้งๆโยมอยู่ตรงนี้โยมจะไปเหรอไม่ต้องไปอะตามาที่เป็นพระใจดํามากใจดําที่สุดเลยอะตามาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยทั้งนั้นหลวงปู่ดูลก็ เราก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้วันที่สองปุ๊บลุงกูดูบอกไม่ต้องไม่ต้องแล้วไปนั่งภาวนาคนเดียวเราไปนั่งภาวนาโยมเชื่อไหมอาตมาพยายามจะพิจารณากายอ่ะอาตมาเพื่อเป็อนอันนีจจ้จังถูกขังอาตมาแม้แต่เอามาพิจารณาก็มาไปได้เลยฮะพอนึกตรงนั้นละลายหมดเลยฮะไม่เห็นอะไรเลยฮะกระดูกกระเดียบตับไตไตภูมิไม่เห็นเลยมันหายอ่ะมันหายหมดพายยังไงเราก็พยายามทําไม่ให้มันหาย ยากจะทําไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดเพราะจิตมันไปสู่ความว่างมันก็ไปเจอแต่ความว่างอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ว่างเจ้าไม่มาเลยฮะพิจารณาจนยังไงก็ไม่ได้มาละลายหมดละลายหม ด, ล ะ, ล, หมดละหมดสุดท้ายจิตมันบอกว่าไปดูทำไมธาตุสี่ไม่เกี่ยวกับจิตเลยน่ะนี่เนี่ยไปนี่เลยนะมันจนมันโผล่นะผู้รู้สึกมันโผล่เองมาไปดูทําไมธาตุสี่มันเกี่ยวกับจิตที่ไหนจิตมีธาตุที่ไหนอะ่ะเออเราก็งงว่ะ ไม่ช่างจริงจริงจริงๆจิตไม่มีธาตุเมื่อเรามาพิจารณาธาตุส่เพื่อไปหาจิตมันก็ไม่เคยเจอตรงนมมันเจอแต่ธาตุอย่างเดียวฮะตอนนี้เราไปพิจารณาถึงขันห้าอีกก็ไม่เห็นจิตเพราะจิตไม่มีขันมันเหลือแต่ความว่างถังนั้นอาตมาใช้เวลาตรงนี้วันที่สองประมาณตีตีสี่ตีสี่ก็หลุดหมดเลยฮะหมดเลยสุภาพทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือตีห้าลุงปูดูลให้เคาะประตู เงืนเข้าประตูก็เรียกไปไปถามว่าภาวนาเป็นยังไงในจิตที่เราเป็นตรงนั้นอะ่ะมันอยู่ในความที่รู้สึกตรงเนี้ยมันไม่มีคําพูดไม่มีคําอธิบายไม่มีคำบรรยญญายเลยโยมมันหมดเลยโลกทั้งโลกก็เลยบอกลุงปู่คําพูดของโลกโดนตัดขาดออกจากจิตไปแล้วและจิตที่มีอยู่นี้ไม่มีโลกอยู่เลยยําท่านยําให้ถึงสามครั้งท่านก็นั่งกําหนดจิตปุ๊บท่านจะเห็นไม่เห็นไม่รู้นะ สุดท้ายท่านเอาหัวท่านอ่ะก้มมาหาหัวตมาตมาก็ไม่รู้ว่าลุงปู่จะก้มมาแล้วเอามือของท่านอ่ะไปเขาจับหัวเข่าตมากระซิบนะท่านรู้ไหมจิตของท่านถึงโล ก, กุตระเลยนะไม่ได้กลับมาเลยนะหมดแล้วตมาก็ถามลุงปู่ไอ้โล ก, กุตราที่ลุงปู่ดูน้ำลุงปู่ว่ามันเป็นยังไงโล ก, กุตระ อ่าพราะจิตตรงนี้ไม่มีโล ก, กุตรานะท่านบอกโล ก, กุตร์คือไม่มีอะไรเลยชื่อเรามาโล ก, กุตระนั้นเองไม่มีอะไรทิศแท้สุดท้ายคือธรรมชาติโยมมันธรรมชาติตรงนี้อาจจะมาจะเปรียบเทียบให้โยมฟังทายโยมเคยไปเมืองนอกโยมขี่เครื่องบินเจ็ดสี่เจ็ดขึ้นที่สุดนั้นอากาศสิบเอดกิโลสิบสี่สิบสามกิโลนี่มีดึงดูดซึ่งกันและกัน มาอยู่พื้นโลกแต่ถ้าพ้นจากนี้แล้วอากาศตรงนั้นมันเป็นอากาศประเภทหนึ่งขึ้นมาทันทีนั้นจิตตรงนั้นเขาเรียกว่าโลกุตรากิตมันเหนือก็เรียกว่าสุญญตามันเป็นแบบนั้นโยมนั่นจิตตรงนั้นจะเป็นแบบนั้นไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ถ้าลงมาตั้งนานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเหลือต่อมาก็เลยเปรียบเทียบให้ชัดๆมันเป็นแบบนั้นอาจะเป็นโลกุตระไม่เป็นโลกุตระก็ไม่รู้แต่จิตอยู่ตรงนั้นจะอยู่ตรงนั้นจะไม่มีย้อนกลับ ทั้งนั้นเนื้อตมาก็าบอกเอาทั้งนั้นเร า, เ, า, าเราจะพาญาณโยมเข้าไปสู่ตรงนั้นดูสิถ้าญาณโยมไหนคิดว่าอยากจะไปก็ตามเขาไปดูตามไปโยมไม่ต้องไปคิดว่าจะไปโลกุตระนะหรือจะไปโลกไหนไม่ต้องคิดห้ามคิดต้องทําจิตให้อยู่ในปัจจุบันไว้ให้อยู่ในปัจจุบันไว้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตพยายามอย่าให้อดีตเข้ามาอนาคตเข้ามานะให้จิตอยู่ปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นโยม สิ่งที่นี้มันก็จะยังมันจะปรากฏในตัวเราเองพิบทันทีเลยแต่ถ้าอยู่ในปัจจุบันอยู่นั้นย็นอยู่นัในน้ําเย็นเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันแล้วแค่ความเย็นโยมไปคิดถึงอดีตจะไม่ได้เลยแลยจะปรุงความเย็นเป็นความร้อนก็ยังไม่ได้จิตตรงนี้จะปรุงแต่งไม่ได้จะปรุงอื่นไม่ได้บันนั้นอ่ะที่หลวงปู่นุ่นบอกว่าออกปัรษาแล้วลงทรงไปหาหลวงตามาบววคือไปเอาข้อวัดหลวงปู่มั่นวิธีชัดวิธี เช็ดบาทวางบาทวางอะไรทั้งหมดเนี้ยนะเอ่พรอหลวงปู่มั่นท่านมีแล้วอาจารพ่อบวกก็ท่านจะจัดระเบียบได้ดีมากแต่ทำนั้นไม่ต้องแล้วทำนั้นไม่ต้องแล้วเพราะมันไปเรียบร้อยไปแล้วจะมาไปอยู่ท่านสามปีตอนนั้นอายุหกสิบหลวงตาค่าอิกิเลสมาก็เลยไม่ฆ่านะเพราะว่าหลวงตาท่านเทศท่านสอนคนทั่วไปแต่ในจิตของเรานั้นไม่มันแนวแต่อยู่ตลอดเลย สุดท้ายหลวงตาเองก็จิตท่านเขไปเหมือนกันแต่วิธีการสอนพอท่านฝึกมาแบบนั้นจากหลวงปู่ดูลแตกต่างกันมากเลยครับทางการญาติโยมทั้งหลายการที่เราเป็นนักปฏิบัติภาวนาจนครูบาอาจารย์ตายไปรู้กี่องค์แล้วหรืออาจารย์เยือนจะเป็นองค์ตายต่อไปได้งญาติโยมก็ยังไม่เจอเลยว่าสมาธินั่นคืออะไรเนะีไม่ใช่ธรรมดาภาวนาจนครูบาอาจารย์ไปแล้วไปเล่าไไปไปไป สุดท้ายก็จะไปหมดโยมก็ยังไม่ได้อะไรตีแท้โยมได้แล้วโยมเจอแล้วโยมนึกว่าจิตมันต้องมีความก้าวหน้าจิตมันต้องมีปัญญาต้องมีความก้าวหน้าเหมือนเราเดินไปจากทีโอทไปสนามหรือไปดอนเมืองโยมคิดว่าอย่างนั้นจิตก้าวหน้าต้องก้าวไปถึงดอนเมืองนี่คิดไปจิตจิตก้าวหน้าจริงๆให้ชัดๆ คือจิตอยู่ปัจจุบันนี้คือความก้าวหน้าที่สุดแล้วจําไว้ให้ดีแล้วจิตอยู่ในปัจจุบันอยู่ในสมาธิตัว น, นี้ก้าวหน้าที่สุดถ้าไม่ก้าวหน้ามันจะเป็นสมาธิได้ยังไงเอลึกเราบอกว่าจิตมันต้องไปมันต้องไปนูน้นมันต้องไปยังงูน้นไปเงี้ยจริงๆไม่ใช่โยมฮะจิตก้าวหน้าที่สุดเหมือนที่โยมเห็นความรู้สึกตรงเนี้ยถามให้ามาจะยกฐ า, านะขึ้นมาเลยก็ได้ จิตที่นมรู้สึกตรงนี้จิตตรงนี้มีปัญญาดีมากมีปัญญาแล้วมีปัญญาตรงนี้ปัญญาตรงนี้ปัญญาตรงนี้จะหยุดหยุดอยู่ในความว่างแต่ปัญญาตรงนี้เขาเรียกปัญญาวิปัสสนาโยมจะไว้ดีนะปัญญาวิปัสสนามันรู้อยู่กับความว่างอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปกายไม่มีความโลภความกวลความหลเพราะวิปัสสนาคือความว่าง ปัญญาปัญญาวิปัจนาเข้าไปสู่โล ก, กุตรธรรมปัญญาโล ก, กุตรจะไม่มีอะไรดังนั้นเลยจิจตโยมบอกว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรถ้าโยมอยากมีอะไรโลกนี้มันมีสองโลกก็มา ย, ยกให้เลยนะโล ก, กุตรก็โลกียะถ้าโลกิยะมันจะมีขันห้ามีทั้งอิจาริสอภิธิหารจารพัดหมดเลยโลกียะนี่ไม่ได้ไปนิพพานนะ ถ้าไปนี่ผ่านต้องโลกุตระโลกิยะเราต้องมีทั้งความโลกความโกรธความหลงอิจฉาทิฏยาอันนี้โลกนี้ก็เรียกโลกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นอ่ะตงแต่งตลอดเล่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไปอยู่โลกโลกิยะโยมแล้วท่านไม่เคยไปโลกกุตระท่านจะพูดไม่เป็นหรอกฮะแต่จงว่าพอดีอาตมาไปโลกกุตระอาตมาก็โงเห็นโลกิยะเลยว่า ถ้าอยากปรุงแต่งในะอยากมีปัญญาไปอยู่ในโลกิยะเลยคุณไม่มีโอกาสได้พ้นทุกข์ได้เพราะคุณอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าอยู่มาก่อนแล้วอยู่มาก่อนแล้วข้าท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์ทีท่านเลยตัดสินใจไม่อยู่แล้วกูจะไปทางนี้เลยพระพุทธเจ้าก็เลยได้บรรลุธรรมเพราะจิตท่านไปทางซ้ายไม่ได้ไปทางขวาถ้างั้นการปฏิบัติธรรมตรงเนี้ยโยมจำไว้เลยพยายามจําตรงนั้นให้ได้ ถ้าจําตรงนั้นนั่นเขาเรียกสมาธิวิปัสนาจะไว้ดีนะเดี๋ยวไปเจอครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยไม่ได้โยมภาวนาเงี้ไม่ไม่มีปัญญายโยมจเลยนะนั่นปัญญาวิปัสนาไม่มีไม่ใช่ปัญญาโลคิยานะถ้าปัญญาโลคิยะโยมต้องไปตัดความโลภ ค, ความโกรธความหลงความบิดเาือทิฏฐิตัดแล้วขาดไหมไม่ขาดยังไม่เคยมีใครตัดกิเลสขาดเลยฮนะพุทธญาติตัดมาแล้วสลบทั้งหกปีสล บ, สล บ, สลบถึงสามครั้งนะไม่ขาดจนเลิกตัดนะพุทธญาติเองต้องเลิกตัดนะ เลือกตัดแล้วถึงรู้ทำนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ตัดกิเลสแล้วรู้ทำที่ไหนอะ่ะก็โยมดูประวัติท่านอะ่ะตอนที่ท่านมันรู้ธรรมอะ่ะท่านได้ตัดไมอ่อ่ะไม่ได้ตัดเลยฮะท่านไปนั่งอธิษฐานจิตนั่งตอนฉันข้าวอิ่มแล้วปกติแล้วไม่หิวแล้วปกติเท่านั้นเองทําจิตปกติธรรมะจะเกิดตอนจิตมกติปะธรรมก็จะเกิดขึ้น ท, ทันทีเลยฮะธรรมะไม่ยากโยมง่ายๆเลยวันนี้ตมาก็เลยมาสอนโยม ต, ตรงนี้ เพราะโยมบางครั้งหลังเลสสงสัยใช่หรือเปล่าอาตมาบอกเลยที่โยมเจอนั้นอ่ะเจอแรกๆที่โยมมาเภานานั้น่ะโยมจะเจอเหมือนอาตมาเจอฮะเจอเหมือนตามาเจอแต่จะโยมไปถามใครไม่ได้เขาจะไหมแล้วไปถามที่ไหนก็ไม่ได้อาตมาเนี่โชคดีที่สุดเจอปุ๊บอาจารย์ตามาเก่งสอบปับ๊บเจอปุ๊บสอบปับ๊บจบป .4 เลย เออจบโรงเรียนเรียบร้อยไม่ต้องมาแล้วทั้งนั้นจิตเราต้องจบนะฮะอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงโยมอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนานะี่ยอย่าไปคิดห้ามคิดพอทำที่พระพุทธเจ้าให้เราเนะี่ยท่านให้เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านให้สมาธิเรานะจำไว้ดีนะถ้าคนไปนั่งสมาธิจิตไม่สงบมันจะไปนั่งนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พระพุท ธ, ธเจ้าไม่ไม่ได้ให้ความพุ่งซ่านนะ พระพุทธเจ้ารับเรานั้นตอนจิตท่านสงบแล้วจิตท่านมีสมาธิแล้วจิตท่านถึงกวางว่างแล้วท่านรับเรานะใ น, นเราแล้วนั่งสมาธิไม่ว่างโอยผิดดังนั้นโยมต้องทําจิตให้หยุดแต่ถึงกว้างว่างถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นพระเจ้าบอกโอปันนัยที่โกน้อมเข้ามาถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาเห็นพระพเจ้ายัางไงเมือเ่อกี้ตมาสอนเลยจะน้อมอยังไงไม่ได้กินน้ําเย็นไปเลย น้ำเย็นเข้าไปขา้างในเห็นอะไรเห็นผู้รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นแหละพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองไม่ใช่รูปร่างพระพุทธเจ้านะพระพุเจ้าบอกข้างนอกไม่ใช่ต้องน้อมเข้ามาขา้างในจะน้อมเข้ามาขา้างในมันจะสั้นมันไม่ยาวน่ะมันไม่ยาวดังนั้นวันนี้ก็เลยมาเอาธรรมะให้ญาโยมเพื่อให้กําลังใจญาโยมที่ภาวนากันมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะได้มีเพราะธรรมะนี่ไม่ไม่พระพุทธเจ้าตอนมอบให้นะ ท่านไม่ได้มอบให้ใครนะไม่ได้มอบให้ควายฮนะไม่ได้มอบหมูมัอนกะัท่านมอบให้เป็นพุทธบริษัททั้งสีคือพิษุภิษุณีแลโอบาสอุบาสิกาทำที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาเบิกบานทั้งหมดเนี่ยบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้รับมรดกนี้ไปอไม่ได้ให้ใครรับนะคือให้บุคคลสองเพศผู้หญิงกับผู้ชายะท่านไม่ถ้าเพศอผู้หญิงผู้ชาย ท่านั่นเองที่ท่านจะมอบให้ไม่กลุ่มนี้และท่านมอบให้เรามาตั้งนานแล้วทั้ง 2,662 ปีแล้ว 2,662 ปีตั้งแต่พุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้จักเรามานานแล้วรู้มาทั้ง 2,000 กว่าปีแต่เราไม่เคยรู้พุทธรู้จักพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรบอกพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็พุทธเจ้าคือผู้รู้นะ่ะนีพุทธเจ้าคอนี้นะ เนตจำให้ดีนะเพราะตอนเราเนี่ยในยุค ป, ปัจจุบันนี้เป็นยุคที่สมาธิพุทธเจ้าฝึกสมาธิศาสนาพุทธเป็นศาสน า, าสมาธิไม่ใช่ศาสนาวุ่นวายนะไม่ใช่ศาสนากิเลสนะสมาธิมีกิเลสไหมเออพราะพุทธเจ้าฝึกสมาธิมาก่อนอสมาธิมาก่อนถึงประกาศศาสนารั่วสมาธิเป็นไงอ่ะจบแล้วประกาศศาสนาพุทธคือศาสนาสมาธิผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะ ทรรมะ